บันี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปหลักการต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในส่วนของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือ ก, การตั้งสติตามระลึกดูที่กายจำแนกแบ่งแยกออกไป โดยประยายต่างๆโดยมีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวกันคือต้องาการต้องการที่จะบันเทาถ่ายถอนตาาัดหาและอุปทานที่มีอยู่ในร่างกายออกไปแต่เพราะบุคคลประยุดติดในร่างกายหรือส่วนที่เป็นรูปไปทำแตกต่างกันจึงต้องจำแนกแสดง ในส่วนของร่างกายเหล่านั้นออกไปโดยวิจิตพิสดารเพื่ออะไรเพื่อให้มองเห็นความเป็นอย่างเดียวกันของร่างกายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการยึดถือในลักษณะรวบถือทั้งหมดหรือเป็นการยึดถือในลักษณะแยกส่วนออกไปซึ่งข้อนี้พึงสังเกตว่าการยึดถือในแนวนั้น พวกเด็กๆจะมีการแยกเป็นส่วนๆหรือส่วนมากแต่ผู้ใหญ่จะรวบไว้ทั้งชิ้นทั้งอันในการมองปัญหาต่างๆของบุคคลไม่ว่าในเรื่องอะไรก็ตามก็จะมองกันในสองลักษณะนี้พระผู้มีพักเจ้าทรงใช้คุณสมบัติต่างๆที่บุคคลมีอยู่แล้วนั่นเอง ให้มาวิเคราะห์เจาะลึกลงไปในส่วนของกายหรือส่วนของรูปธรรมซึ่งบุคคลมีตัณหาความรักข่ายยินดีสยบติดอยู่ในรูปหรือในกายเหล่านั้นถ้าหากว่าเกิดความรู้ความเข้าใจทั้งในแง่รวมและในแง่ที่แยกซึ่งด้วยการแยกนั้นก็พยายามแยกย่อยออกไป จนถึงจุดสูงสุดแต่ในจริงแล้วความคิดในลักษณะนี้คนเราก็มีอยู่เป็นอยู่โดยปกติธรรมดา น, นั่นเองแต่ไม่ได้นำมาใช้ในแง่ของการถ่ายถอนตันหาอุปาทานเท่านั้นเองข้อนี้พึงดูตัวอย่างในตอนต้นส่วนแห่งตาตุตาตุปป ะ, ะคือหมวดที่ว่าดา้วยธาตุ พระพุะพาคเจ้าทรงอุ ป, ปมาให้เห็นเหมือนคนค้าโคหรือลูกน้องของคนค้าโคค้าโคและชำแหละแยกส่วนต่างๆวางไว้ในทางสีแพร่งเรียกร้องให้คนอื่นมาซื้อสิ่งเหล่านั้นก็ไม่มีใครบอกว่า ม, มาซื้อโคแต่จะพูดว่ามาซื้อเนื้อมาซื้อหนังมาซื้อ ต, บตับไตปอดไส้เป็นต้น ซึ่งก็หมายความว่าเป็นการมองในแง่ยแยกและเป็นการรับรู้เรียนรู้เข้าใจกันวันนั้นไม่ใช่โคแต่เป็นเนื้อแต่เป็นหนังเป็นตับไตไส้ปุงต่างๆเป็นต้นแต่ถ้าหากว่านามารวมกันก็กลายเป็นโคเพราะโคจึงเป็นสมมติบัญญัแม้เนื้อเองก็เป็นสมมติบัญญั ถึงถ้าย่อยออกไปแล้วก็เป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุมาเกาะกลุ่มกันเท่านั้นแต่ตามพื้นโดยมากแล้วเนื่องจากจิตใจของบุคคลถูกรุ่มรุมด้วยตัณหาทิฏฐิมีอวิชชาเป็นมูลรากทำให้ไม่สามารถที่จะถ่ายถอน ความยึดติดที่ทรงใช้คำว่าอัตตสัญญาคือความเป็นตนความเป็นของตนความเป็นเราความเป็นของเราหรือสัตต์สัญญาความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลความเป็นสิ่งของเป็นภูเขาเป็นต้นไม้เป็นต้นซึ่งในกรณีนั้นไม่ใช่ว่าพระพุทธศาสนาปฏิเสธแต่ยอมรับในแง่ของการสมมติบัญญัติ เรียกว่าสมมติสัจจะคือชาวโลกเขาสมมติกันก็ให้ปฏิบัติไปให้เหมาะให้ควรในฐานะนั้นๆแต่การเรียนชั้นส ม, มถะนั้นชั้นส ม, มถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนั้นเพื่อขอให้เกิดเป็นความส ง, งบขึ้นภายในจิตใจ อาศัยความสงบกายสงบใจเป็นพื้นฐานแล้วใช้ปัญญาเพ่งพินิษพิจารณาหาความจริงในสิ่งเหล่านั้นในสิ่งที่เป็นโล ก, กสมมติโลกกสมัญญาโลกภาษาโลกโภหารที่มีการกำหนดกันในฐานะนั้นๆในภาวะนั้นๆจะให้บุคคลพยายามถ่ายถอนตันหาและอุปาทาน คือการยึดถือว่าเป็นสัตว์กับเป็นตนเพราะนั้นเป็นเพียงสมมติคือยอมรับในแง่ของการสมมติซึ่งว่าที่จริงในแง่นี้ก็ทำนองนั้นเป็นสิ่งที่บุคคลเกี่ยวข้องสัมผัสกันอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ได้นำไปใช้ในแง่ของธรรมะเท่านั้นเอง กร น, นี้พึงดูตัวอย่างได้แม้ในกรณีเหล่าอื่นเช่นการที่บุคคลถากไม้ต่างๆให้เป็นไปาตามที่ตัวต้องการก็มีความรู้ความเข้าใจว่าถ้าหากไม่มีการถากักไม่มีการปรุงแต่งด้วยความรู้ด้วยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้ว มม่จะเป็นไปาตามที่เราต้องการไม่ได้คนก็เรียนก็รู้ก็เข้าใจกันแต่ก็ไม่ได้เคยคิดที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนในชีวิตเพื่อฝึกปรืออบรมตนเองเพอเรื่องเหล่านั้นมาถึงพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ทรงเอาการถากไม้การดัดลูกศรการไถไน้ำข้าวนาการชักน้ำออกจากนาของบุคคลที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นเองมาใช้ในแง่ของการสามารถฝึกปลือตนเองซึ่งมีจิตมีเจตนามีจิตปัญญาให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ เพราะแม้แต่สิ่งที่ไม่มีจิตปัญญาเช่นไม้เช่นน้ำเช่นลูกศรบุคคลก็สามารถฝึกได้พอมาถึงในชั้นของธาตุก็มีลักษณะอย่างนั้นคือให้บุคคลพยายามใช้ความสงบและปัญญาเพ่งพินิษพิจารณาทายถอนในส่วนของอัตสัญญาคือการกำหนดหมายว่าเราว่าของเราว่าเป็นเรา สัตตสัญญาเป็นสัตว์เป็นคนเป็นสิ่งของเป็นต้นเพราะนั่นคืออะไรนั่นคือที่ตั้งแห่งตัญหาแห่งอุปาทานแห่งชิดชิดแห่งเงื่อนไขต่างๆที่นำมาต่อสู้กันของสิ่งหนึ่งเมื่อก่อนวางอยู่เฉยๆไม่มีปัญหาอะไรแต่มีคนคนหนึ่งไปกำหนดว่าเป็นของเราแล้วยึดว่าเป็นของเรา ก, ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตบุคคลผู้นั้นต้องมีการารักาป้องกันกลัวพยานอันตรายแต่บุคคลที่สองเกิดกำหนดว่าของเราเขาด้วยก็เกิดการต่อสู้ประหรัดประหารกันทั้งๆที่ของก็วางอยู่เฉยๆแต่ว่าใจคนหนึ่งเกิดไปกำหนดข้าว ก้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปชั้นหนึ่งไปอีกคนหนึ่งเกิดกำหนดร่วมกันในจุดเดียวกันก็เกิดเป็นปัญหาแต่ถ้าหากว่าคนที่สองไม่ประยอมกาหนดเช่นนั้นหรือกำหนดเป็นสิ่งที่น่าเกลียดไปการทะเลาะวิวาทก็ไม่บังเกิดขึ้นดังนั้นเวลาสอนไม่ว่าจะเริ่มด้วยจุดอะไรก็ตาม การใช้ปัญญาในแนวนี้พระพุทธเจ้ามักจะจบลงด้วยการสอนให้เข้าใจว่าโดยสภาวะที่แท้จริงแล้วไม่มีของเราไม่มีความเป็นเราและไม่มีความเป็นตัวเป็นตนของเรา ซึ่งความเป็นเหล่านั้นเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งของจิตที่ประกอบด้วยตันหาประกอบด้วยอุปาทานลนักษณะการยึดติดในแนวอุปาทานนั้นก็จะยึดกันหลายแนวด้วยกันในแรกคืออาการยึดติดเป็นอุปาทานแนวเดียวเป็นความยึดติดแนวเดียวว่า น, นั้นเป็นของเราหรือเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเราก็ตามแต่สรุป่าเป็นการยึด ซึ่งลักษณะทางอุปาทานนั้นพึงสังเกตว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนของอุปาทานแต่เปลี่ยนแปลงในส่วนอื่นคือเพิ่มปริมาณของกิเลสส่วนอื่นขึ้นมาด้วยเพราะกิเลสมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันมันเหมือนกับสิ่งที่อยู่ใต้ก้นพระชนะ เมื่อบุคคลไปกวนให้สิ่งเหล่านั้นขึ้นมาทุกอย่างที่อยู่ในที่นั้นก็จะขึ้นมาสู่ผิวน้าไม่ว่าจะเป็นตะกอนจะเป็นใบไม้ใบหญ้าก็ตามเพราะสิ่งนั้นเกี่ยวเนื่องถึงกันลักษณะของกิเลสตัณหาอุปาทานก็เป็นเช่นเดียวกันเมื่อสิ่งหนึ่งแก่เกิดสิ่งอื่นแก่ก็เกิด เกิดตามขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความอภิษฐ์เกลวิชาความไม่รู้ที่เป็นรากหง้าของกิเลสจะมีความเข้มข้นสูงขึ้นซึ่งต่อไปนั้นถ้าในชั้นของกายของวาจาก็จะออกมาในรูปทุจริษฐ์แรงถ้าในชั้นของจิตใจก็จะมีความรักและความชังสูงขึ้น ที่เราพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าอภิชาและโทมนันต์คือเพ่งเล็งโลภอยากได้สูงขึ้นแต่ถ้าเกิดมีใครมายึดถือในสิ่งเดียวกันว่าเป็นของเขาเหมือนกันโทสะก็จะเกิดสูงขึ้นแต่ถ้าไปยึดถือด้วยอํานาจลาพังตัวเองโมหะคือความหลงในสิ่งนั้นก็จะสูงขึ้นจิตใจบางก็เปลี่ยนแปลง ยักย้ายไปตามลักษณะของอารมณ์และการกำหนดอารมณ์ในในขณะนั้ น, น, นซึ่งจะถามมาเริ่มต้นมาจากอะไรก็เริ่มจงต้นมาจากอุปาทานคือความยึดติดแต่ถ้าไม่มีการยึดติดปัญหาเหล่านั้นก็ไม่มีเพราะการยื้อแย่งการก็ดีการต่อสู้ตลอดถึงการประหัรประหารกัน เพื่อรูปธรรมได้เกิดขึ้นในส่วนต่างๆเป็นอันมากเป็นข่าวๆที่ได้ยินได้ฟังกันแต่ทําไมจิตใจไม่หวั่นไหวก็เพราะใจยังไม่ไปยึดเรื่องหนาจของตัณหาว่าของเราหรือร่องหนาจมานะว่าเป็นเราหรือร่องหน้าทิฏฐิว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานั่นเองแต่ถ้าวันใดไปยึดถือเข้าความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็จะเกิดขึ้น เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นแก่บุคคลเราอื่นซึ่งการเกิดในแนวนี้จะปรากฏทางเดียวกันคือส่วนของความดีก็ตามความชั่วก็ตามจะปรากฏในแนวนั้นอุปาทานในแนวที่สองนั้นคือยึดสองแนวเรียกว่ายึดนามกับยดึดรูปจิตแกจะเกิดวิ่งวนบาเหมือนกับคนที่ว่อยู่ในน้า เมื่อกาะสิ่งหนึ่งพอสิ่งนั้นจมก็ต้องคอยคว้าเกาะสิ่งอื่นใจที่ยังมีตัณหายังมีอุปาทานก็จะก็จะมีลักษณะอย่างนั้นพอแกเกิดมองเห็นว่าในส่วนของกายนิรยสาระไม่มีอะไรเป็นแก่นสารที่จะควรยึดจะควรถือ ก, ก็จะคอยคว้าไปจับที่เวทนาสมมติเราไปสอนที่เวทนาให้เกิดความเข้าใจอีกก็จะวิ่งไปจับที่จิต คือจะต้องวิ่งเกาะด้วยสราบใดที่ตัณหาและอุปาทานยังไม่ถูกละไปเพราะถ้าหากว่าตัณหาอุปาทานถูกละไปแล้ววิชาคือความรู้ความเข้าใจก็จะมองกระจายออกไปว่าแม้ในจุดอื่นมันก็ตกสภาพเดียวกันอย่างที่ทรงสอนในแนวกระจายให้มองรูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตยา่าละเอียดเลยประนีใ๋ใกล้ๆพ่าแท้จริงแล้วก็ตกอยู่ในสภาพอย่างเดียวกันทั้งนั้น อุปาทานในอีกแนวหนึ่งนั้นจะยึดออกไปสามกลุ่มด้วยกันคือยึดไปตามอำนาจของภพซึ่งข้อนี้จะเห็นว่าในแง่ของโลกิยะคือการเวียนว่ายในสังสารวัตนั้นไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะการยึดติดการคอยคว้าสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นจะต้องเกิดขึ้นจากการพัฒนาจิตใจ ให้สัมผัสธรรมะสูงขึ้นต้องการเป็นเทวดาในชั้นกามาปจรก็ต้องปรับจิตใจให้สูงขึ้นอยู่ในชั้นของกามาพจรต้องการจะเข้าถึงรูปประพรมก็ต้องปรับจิตใจของตนขึ้นไปสู่ความเป็นรูปปรพรมหรือต้องการในชั้นของอรูปก็ต้องปรับจิตขึ้นไปถึงจุดของอรูปเพราะเป็นเรื่องของเหตุของผล พบทั้งสามที่บุคคลไปยึดถือไปอยากได้และไปยึดถือปรารถนาข่อยคว้าที่จะได้นั้นเป็นเพียงผลเท่านั้นเองถ้าต้องการได้จริงจตัญหาก็จะผลักดันให้บุคคลเพียรพยายามสร้างสมคุณธรรมความดีเพื่อบังเกิดในการมาพบรูปพบและรูปพบซึ่งแน่นอนว่าปริมาณความดีสูงขึ้น ในชั้นโลกิยะจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับจิตใจของตนเองแต่ถ้าในชั้นเป้าหมายของพระพุทธศาสนาก็เป็นการสแสวงหาทุกข์ในสังสารวัฏประการหนึ่งถึงแม้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตที่เป็นมนุษย์ความสุขจะประนีตกว่าสูงกว่าก็ตาม แต่ในแง่ของสังสารวัตก็คงเป็นสังสารทุกข์อยู่นั่นเองดังนั้นถึงชั้นนี้ปัญญาจะต้องผ่องใสขึ้นคือมีกำลังเป็นไปแรงกล้าเป็นความสว่างที่พรุงขึ้นถ้าไมา่อย่างนั้นจะถ่ายถอนอุปาทานในส่วนนี้ไม่ได้ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายในก่อนพุทธสมัย ก่อนที่พระพุทธเจ้าจสัจรู้และแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก่อนการสัจสรู้ก็เคยไปสัมผัสเรื่องโหลดนี้มาแล้วแล้วก็เคยยึดมาแล้วแต่อาศัยที่ทรงใช้ปัญญาเจาะทะลวงลึกลงไปก็เข้าใจว่าแท้ที่จริงนี้แท้ที่จริงแล้วเป็นความสุขที่ประนีตขึ้นเท่านั้นซึ่งทรงใช้คําว่าทิฏฐธรรมสุขกวิหะ คือช่วยบุคคลอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแต่เป็นลักษณะเหมือนกับการรับมรดกที่เสวยสุขด้วยเงินทองเหล่านั้นแต่ก็ไม่ได้สร้างเพิ่มในที่สุขมรดกนั้นก็ร่อยหรอลงร่อยๆรอลงตัวเองก็กลายเป็นคนยากจนเหมือนเดิมพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมรับฐานะเหล่านั้น แต่บรรดาคณาจารย์เจ้าลทัทธิในสมัยนั้นมีเป็นอันมากที่ท่านถือว่าสุขแล้วจบแล้วสิ้นแล้วก็วเป็นอุปาทานที่ประนีตขึ้นแต่อุปาทานก็คืออุปาทานเพราะยังติดในการมาพบในรูปภพแล้วก็ในอรูปภพอุปาทานแนวหนึ่งเป็นการกระจายตัวเองออกไปตามลักษณะของกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้มีการยึดถือ ได้แก่การที่ถือด้วยอำนาจการกำหนดว่าสิ่งเหล่านั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจจะเรียกว่ากามุปาทานถ้าจะถามว่ากามุปาทานนั้นเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากกามตัหะะนหาภระวัฒนาเป็นอาการที่ต่อเนื่องกันสืบเนื่องกันและเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการละกันในแง่ของการปฏิบัติแล้วจะว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของอะไรก็ไม่ชัง เพราะต่างก็เป็นปัจจัยของกันด้วกันถ้าพูดถึงอารมณ์คราวแรกนั้นตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานแต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่รับมาแล้วมีความยึดถือว่าเป็นของเราแล้วอุปาทานก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาคืออยากให้สิ่งเหล่านั้นอยู่ดำรงอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยากได้เพิ่มขึ้นอยากได้จากจุดไหนจุดที่ไปยึดถือว่าเป็นของเรานั่นเอง ดังนั้นเวลาแสดงตามหลักของปัจจัยการหรือปฏิจจสมุปบาทจึงมีลักษณะหมุนกันไปเป็นวงกลมที่หมุนหนุนเนื่องกันไปไม่รู้ใครเป็นปัจจัยของใครคต่างคนต่างเป็นปัจจัยของการไะไรกันนั้นบางอย่างก็เป็นการยึดถือด้วยอำนาจของทิฏฐิซึ่งจะเห็นว่าแนวการยึดถือแนวนี้บางอย่างมีความประนีตมาก อย่างที่เคยอธิบายไว้ในปรมาชาและสุดคือความคิดความเห็นบางชั้นมีความประียจิตใจสะอาดขึ้นมากแต่เป็นความรู้ที่จำกัดซึ่งบางองค์บางท่านก็มีจุดจำกัดที่กว้างไกลตระเกนเมื่อมองในแง่ของพุทธญาณคือญาณของพระพุทธเจ้า ซึ่งมองได้โดยไม่จํากัดเป็นการรู้ทั้งปวงทั้งสิ้นก็มองเห็นว่าเป็นความเห็นที่ผิดอยู่ความยึดถือในรูปทิฏฐินั้นเป็นแนวของความเห็นบางครั้งก็เคพิ่มเป็นอาการของดื้อรัน้นยึดติดในรูปแบบของความคิดความปักใจลงไปเช่นนั้นจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นทีนี้ก็เป็นความยึดถือ ความยึดถือในแนวนี้ก็จะไปได้มากเหมือนกันแต่ถ้ามองในแง่ของเป้าหมายสูงสุดก็มีปัญหาโดยนยะที่กล่าวแล้วอีกแนวหนึ่งนั้นเป็นการยึดติดรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติซึ่งบางครั้งไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายแต่ทำไมจึงเกิดเสียหายเพราะมีปฏิฆะต่อคนอื่นคือปฏิเสธคนอื่น แลเป็นการยึดติดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่จริงที่ท่านใช้คำว่าสัจจังอภินิเวสะซึ่งมีปัญหาอยู่มากในการประพฤติปฏิบัติและพร้อมที่จะมีแม้ในวงพุทธศาสนิกชนทั้งหลายคือวงระดับของกรรมฐานอุปาทานในแนวนี้ก็ไม่อยู่เช็นว่าจะต้องปฏิบัติอย่างนี้เท่านั้นปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้ นอกจากเป็นอุปาทานแล้วยังมีอวิชชาที่มีความเข้มข้นสูงในด้านข้อความยึดถือเพราะอะไรเพราะอารมณ์ของกรรมฐานนั้นเป็นอุปาเยปิชีเท่านั้นเองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บุคคลอาศัยเป็นเครื่องเกาะเพื่อฝึ ก, กจิตให้ส ง, งบอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นแล้วไปใช้จิตที่ส ง, งบนั้นให้สามารถส ง, งบกิเลสส ง, งบนิวรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เหมือนกับการฝึกปรือในสนามทดลองเพื่อเข้าไปเล่นในสนามใหญ่ไปแสดงในสนามใหญ่ได้เท่านั้นเองไม่จำเป็นว่าต้องอย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้จะอย่างไหนก็ได้ข้อสำคัญว่าอย่าให้เป็นการตั้งสติผิดก็แล้วกันประการต่อไปนั้นก็คืออัตวาทุ ป, ปาทาน จะไปยึดถือในอำนาจของเรียกว่าวาทะวะตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ซึ่งการยึดถือในแนวนี้โดยหยากจากจแสดงออกมาในรูปลักษณะการเชิดชูตัวเองความเชื่อมั่นในตัวเองจนถึงความหลงตัวเองไม่ยอมรับนําถือบุคคลอื่นซึ่งที่จริงมันก็เริ่มมาจากอุปาทาน แต่แล้วมันก็กลายเป็นมันะคือถือว่าเป็นเราเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้แล้วพอความเข้มข้นสูงก็กลายเป็นทิฏฐิคือคลุกคล้ากกันไปดังนั้นให้สังเกตว่าถ้าพูดถึงความเป็นจริงแล้วเราแยกกิเลสเด็ดขาดนั้นไม่ได้จนแยกเป็นโลภเด็ดขาดโดยไม่มีอะไรเจืออยู่เลยอย่างนี้มันต้องมีส่วนเจืออ ย, อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออวิชชาแกจะต้องเจืออยู่ทุกแห่ง ของกิเลสเหล่านั้นเพราะแกเป็นต้นค้าวของกิเลสทั้งหลายดังนั้นการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจกายในแง่มุมต่างๆว่าจะมองในแง่ของดูลมหายใจเข้าออกที่เกิดดับเกิดดับเป็นการสอนให้บุคคลรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วคนเราก็อยู่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเข้าออก เราอจจะเรียนรู้ในชั้นอื่นในลักษณะอื่นจากลมหายใจเข้าออกนั่นเองกระจายตัวเองออกไปได้เป็นนั้นมากและในขณะเดียวกันโดยพื้นฐานการเรียนรู้การปฏิบัติโดยกําหนดระดักลมหายใจเข้าออกมันก็ปรับตัวเองเดินขึ้นไปได้เรื่อยๆยกชั้นของจิตให้สูงขึ้นให้ประณีตขึ้นได้เรื่อยๆพอมาชัน้นของอิริยาบทของ การรู้อิรยาบทย่อยทุกลักษณะไม่ว่าจะเป็นคู่แขนเหยียดแขนอะไรก็ตามมีสติระลึกรู้ทันอยู่ตลอดก็ล้วนแล้วแต่เป็นการสอนให้บุคคลมองเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงและเกิดดับไปเรื่อยๆแต่การจะมองเห็นชัดเจนนั้นจะต้องอาศัยพลังของสมาธิ ดันั้นทุกขั้นตอนจึงไม่สอนแนววิปัสสนาก่อนแต่สอนให้เกิดความสงบเสียก่อนเพราะดูมันยากเข้าใจยากถ้าหากว่าจิตใจไม่สงบแน่แน่จริงๆแล้วดูความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าจุดมุ่งหมายก็ต้องการถอนตันหาจริตหรือบรรเทาตันหาจริตดังกล่าว ถ้ากว่ามองเช่นนั้นยังไม่เห็นก็อาจจะมองในรูปของแยกกายออกมาเป็นส่วนๆเป็นอาการสามสิสองมีผมเป็นต้นจนถึงมันสมองแต่ยังไม่เห็นอีกเราก็ต้องแยกเป็นธาตุซึ่งการสอนในแนวแยกเป็นธาตุนั้นเพื่อต้องการแยกว่าเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเรากับการกำหนดหมายวัตถุอื่นสิ่งอื่น จะเป็นของเราหรือไม่เป็นของเราก็ตามด้วยสัตตะสัญญาคือการเกาะกลุ่มของสิ่งเหล่านั้นแต่ในเชิงการปฏิบัติอย่าลืมว่าพระพุทธศาสนายอมรับความจริงสองชั้นเพราะการถ่ายทอนอัตตสัญญาคือความเป็นตนและสัตตะสัญญาความเป็นสัตว์นั้นถ้าจิตใจไม่ได้พัฒนาขึ้นไปถึงจริงๆจะเกิดเป็นปัญหาในการประพฤติปฏิบัติ เรื่องราวเหตุการณ์เหล่านี้ได้เคยเกิดมาหลายครั้งในสมัยอดีตเช่นก่อนสมัยพุทธกาลก็มีการฆ่ากันเพราะถือว่าสิ่งทั้งหลายสัก์แต่ว่าธาตุเท่านั้นเองดาบก็ธาตุผู้ฆ่าก็ธาตุคนฆ่าก็ธาตุพระธาตุแทรกไปในธาตุเลยไม่มีบาปอะไรไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่าญาติพี่น้องก็ฆ่ากันเองได้วุ่นวายกันไปหมด นี่เพราะอะไรเพราะจิตใจไม่ได้พัฒนาขึ้นไปจะไปยิ่งไปถึงสูงสุดแล้วยิ่งยอมรับสมมติสัจจะเขาก็สมมติกันอย่างไรก็อยอมรับอย่างนั้นเรียกว่าโลกาณวัฏคือคล้อยตามโลกไปแต่ว่าใจไม่ยึดเท่านั้นเองสิ่งนี้บ้านนี้เขาเรียกอย่างนี้ไปอีกแห่งหนึ่งเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกอย่างนั้นก็เรียกอย่างนั้น เพราะจะเรียกอย่างไรนั้นเป็นเรื่องสมมติเท่านั้นเองดังนั้นการศึกษาธรรมะจึงต้องยอมรับไว้ให้ได้ทั้งสองชั้นไม่ใช่เพิกถอนอัตตัญญาการกำหนดหมายว่าตนการกำหนดหมายว่าสัตว์ออกไปแล้วจะไปทำอะไรได้จะไปทำผิดได้จะไปฆ่าสัตว์ไม่บาปเพราะไม่มีสาสตร์ักด์สิาทาธธรรมไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องของสมมติก็คือเรื่องของสมมติที่อยู่ในกฎเกณฑ์ของ กรรมและสังสารวัตรเป็นวัตกามีกุศลคือส่วนของวัตฏะแต่การเรียนรู้ระดับหนึ่งนั้นก็ช่วยให้อยู่ในวัตฏะอย่างความเข้าใจสิ่งแวดล้อมตามความเป็นจริงจนถึงกระยกจิตใจให้อยู่เหนือกระแสของวัตฏะซึ่งเป็นกลุ่มภาพหมย ผลจะเกิดขึ้นแก่บุคคล น, นั้นได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบจิ่งปฏิบัติตามธรรมชั้นไหนเป็นอะไรปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมแก่กรณี น, น, นั้นแล้วผลก็จะเกิดขึ้นทั้งส่วนปัจจุบันและส่วนของพัฒนาจิตใจให้หลุดพ้นจากกระแสตัณหาอุปาทานตามสมควรแก่การปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจ ทำความสุก